ตั้งใจเพราะว่า น, น้าเอาเดอ้อเพาว่าน้าเอาของไฟของมันคือจะง่วนี่ละคือแต่งตองง่วงั่วงไม่ไปหอดหยาแล้วมืนจะกินเอาไฟเอามันเลยมันไปก็ปลูกมืนอแต่เมื่อแต่เพื่อแต่ไปก็ปลูกจะให้ตอกให้ลูจกะ ก, กินเองแม่จะกินเองง่วงเพมันไปหอดยาแล้ว คือจะเข้ามาถึงสถานที่ที่ภาวนาแล้วนี่คือกันน่ะแต่ต้องภาวนาเอาเองอย่าไปหวังผู้นั้นคืมาสอยผู้นีคือมาส้อยเห็นผู้นั้นเฮ็ดตะก้อนผู้นีเฮ็ดตะก้อนอย่าไปหวังได้วามดีต่งางต่เทศโลกอันมไดพอสิได้เฮ็ดบุญเฮ็ดข้นอนเฮ็ดไดสิเดศรักษาจเดี๋รักษาโลกอย่าไปทาทาผูน้นันทาผู้นี่อยู่แล้วโในโลกนีมันหลายเพนยังนีแน่สิทา อย่าไปข่าเร่องการภาวนาบรมเวณวายจต้องมีเจ็ดปนย่างยู่ทั้งจงกมดอกการภาวนาย่างไปย่างมากก่ารูดซึกผู้เมื่อเจ้ของไปเรื่อยนั่นล่ะเงิ น, านภาวนาหลกเป็นทั้งย่างไปย่างมากย่างไปกินน้าซึ้นเจ็ดกระผู้เมื่อเจ้าของไปเรื่อยผู้โตเจะาของไปเรื่อยนั่นแหลนั่นละ่ะภาวนาการภาวนาบรมเวย่างเด็กมเวณนางบรมเนณยางบรมบเหยบบรม น, นอน การภาวนาแม่การสมุดใจแกงหาล้างแกวหนึ่งใส่ยางใส่ยืนใต่เดิมใส่นอนจะ น, น้อยมั่มออก็เศร้าเมืเอเ่กอก็เศร้าดอกเมื่อศ้าเห็ดหยีบดอกเศ้าหอยไตดอกแต่ว่าใจหนึ่งมันคืไใ้ใส่ไปเรื่อยเอายางไปยางมากาต้อ่มไปเรื่อยวอกแต่ม่งเือว่าใหญ่มันหลงสาวัน อยามันลงข้ามกันอยากมันเม้อกันเรื่อยๆใจอันเห่าได้อันนี้แล้วมันจะได้วางแน่วใจแนวเพิงพรสันแนวอื่นเพิงพอได้เลยแน่วอื่นมันหอดงามมันไก่ยังพอเห่าแม่เห่ายังจีแล้วมันหอดงามคือกระตายไปหนีไปยังจันแล้วเห่าอยากให้เพิ่งหนีมึอเฮงแหละไม่ไปหนี้ไปยังจันแล้ว ผู้อื่นอีกจะซื้อกันอ่แล้วผู้ใดสียเฮาหักผู้ใดเฮาหวังเพิ่งเขาเนี่ยลูกหลานซื้อกันนย่จหอดวางจะวังจะแย่มันมันบ่มาให้เฮาเพิ่งงแล้วมันจะมีเหี้ยมันแนกกิเลสไปเพรมันลงเสื่อมหมดเน็คได้ควยงอ่อกอยู่ในร่มพญานาคเฮาเพิงผูไดดเพิ่งเจ้าของนี่และเพิงเจ้าของเราชอบเบิ่งแต่งนอกเพิงใดบ่เพิงผูไดแต่งนอกก็ได้ ยับเข้าไปอีเพื่องใจเจ้าของเพื่องอย่างไรเพื่องใจใจเข็มแข็งบอใจน้ามี่ว่วมอดทนทนท่อนบอขันผู้นี้ใจอดใจท่อนเพื่งได้จำหนึ่งันผู้นด้ใจสลาดใจอดทนอนฟ้องใจปล่อยใจว่างไลยก็เหมือนโว่จบ่ายเลยน ะ, ะปลอดไั่ ไม่ง่ามเพดใจเด้ซ้อมใจซ้อมไปซ้อมมามันเฮ็ดได้ครคือกันเท่าซ้อมยืดดูดูนี่เท่าิีสานาสิให้มันคืดก็ได้ว่าให้คิดก็ได้ให้มันดีใจก็ไดัยว่าให้ดีใจก็ไดัยั่านยากได้หลายตกใจได้หลายแบบเก็ดใจซื่อๆไว้นิ่งๆสงบนิ่งไว้หนึ่งเต้าตัวเต้ายากเต้าเกียร์เต้าตั้งเต้าทุกเต้ามัตุเนี่ยนะกานเฮ็ดใจไว้กลางๆได้ ยังวาลุณภูมิความกันติข้อระนาคาไปซึ่งจะสั่งคั้วหมูห่าไว้เอาสันกันนี่แหละเขี่ยวไปเขี่ยมากเกี่ยวธรรมะออกมาได้ก้อนนึงว่าผู้ใดทําใจเป็นกลางได้ผู้นั้นจะคนจับทุกขังพวงนี่แหละอยู่เหตุการณ์ได้ก็ตามพยายามข่มใจให้มันอยู่ปกติสม่าเสมอเป็นกลังกาไปให้มันได้ อันนี้จังจันได้ยุ่งทำการให้หน่อยยุ่กลางให้ไงให้ไงมากให้หน่อยมากเพ็รทางกลางได้เลยมืัอให้อันตรายมันหม่นเพราะว่าบัวดเราไปนั่งเสียใจเป็นทากลางไว้คือจังน่วยโงมีอยู่หน้าโงมีอยู่นะเอาไปยุ่างกลางดีๆแล้วมาทางไหนมันแบเปิ้นออกข้างนอกเปิ้ลออกขันมดมันมันบอกเขามากกลางดอกคือจังจันเท่าเสียใจเป็นกลางไว้ะปลอยให้น่ะอย่าของปสิ สบายใจกำมล้างใจเกิดสายคืนวิทีภาวนาโบเมนว่าเป็นย่างจงกลมบมนว่าเป็นนางภาวนาเท่านั้นเองย่างจงกลมน่งภาวนาขันย่างบบเกนโบเกนจงกลมยางไปยังมาไอ้ชื่อใจคืดเดินอยู่กุ่ะเดินอยูุ่งเทพนะเดินอยู่เมืองนอกเืองหน้าไม่โบเกนเห็แล้วภาวนาโบเกน ยูขับใจันใจยูหนึ่งจะเป็นภาวนาจะเป็นยางจงกรมนั่งหรือขกันขนาดนั่งคือยันเข้านั่งยนยังเสียนั่งเราก็พื้นไปหาผู้นัน่งหาผู้หนี่ไปเลยหนึ่งโบปเป็นภาวนาแล้วเป็นภาวนามันนั่งดีค่ะกำห น, นดใจไว้ผู้เมื่อใจจะฟ้อ ง, งเรื่อยๆหลวงปู่ปรวติคนหนึ่ง่าตั่งสติกำหนดจิตนั่งยื่อใก็ให้ได้ผัวยืนยื้อก็ให้ได้ตัวตั่งสติคือค่วมแล้วลึกลึกมากนี่ เขามีจิตปนอมีอยู่ตัวยกูเมื่อจิตของอยันนั่นแหละเป็นทวานานนเาาหตุทวนาจริงๆีหละแล้วมันจังจิดได้เพามันนังยังจิตเหตุได้มันมันบริยุกก็นั่งก็จิตมืนไหมมันอยู่กับเขากำหนใหดใจใชไหมนีแหละพอจังตีได้ง่ายหรอก่ยาก